67. วิสัยในความเป็นฌานเป็นพุทธจึงเป็นอาจินไตพระพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้ชัดว่าวิสัยนั้นไม่ให้คิดคาดกันเลยหรือค้นคิดเอาอย่างไรก็รู้จริงไม่ได้เพราะมันมีคุณสมบัติที่เกินที่จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง สภาพของมันได้ด้วยความคิดความคาดโดยเฉพาะคิดเอาว่าฌานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นอย่าไปคิดเอาคาดเอาขบคิดให้หัวแตกอย่างไรก็ไม่เข้าใจได้อย่างเป็นจริงหรอกแมแต่แค่ฌานแบบหลับตาที่เกิดผลของฌานโลกีแบบนั้น ก็ยังต้องทำเองเลยจึงจะรู้ภาวะจริงของจิตที่เป็นฌานแบบนั้นยิ่งเป็นฌานแบบพุทธที่เป็นฌานลืมตาเกิดผลสมาบัตินั้นยิ่งคาดคิดภาวะเอาไม่ได้ใหญ่พระพุทธเจ้าจึงตรัสยืนยันว่าฌานนั้นเป็นอาจินไต หนึ่งในสี่อย่างเรียกว่าฌานวิสัยเป็นเรื่องไม่ควรคิดเอาคาดคะเนเอามันคิดเอาอย่างไรก็ไม่ได้ความจริงยิ่งเป็นพุทธวิสัยก็ยิ่งเป็นอจินไตยที่ยิ่งกว่าฌานเสียอีกผู้เข้าถึงความเป็นฌานหรือบรรลุความเป็นฌาน ไม่ว่าชานแบบโลกียะก็ดีหรือชานแบบโลกุตระก็ดีหรือเข้าถึงความเป็นพุทธธรรมบรรลุความเป็นพุทธธรรมก็ดีต้องผู้เข้าถึงเองหรือบรรลุเองเท่านั้นจึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นชานหรือ ความเป็นพุทธธรรมได้จริงอย่างเป็นจริงยิ่งพุทธวิสัยที่หมายถึงความเป็นพระพุทธเจ้ากันไปโน่นยิ่งไม่ต้องไปพูดถึงเลยก็ได้ใครอ ย, ย่าบางอาจจะคาดคิดว่าตนเองรู้ได้แท้อย่างนั้นอย่างนี้ด้วยวิธีใดใดเป็นอันขาดนี่แหละเป็นอาจีนตายแท้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจินไตคือสิ่งที่คนรู้ไม่ได้รู้ได้แน่นอนสำหรับผู้เข้าถึงจริงบรรลุจริง